จิตสมบมาจากต้นคำแรกคือจิตภาวนาจิตภาวนาภาวนาก็แปลว่าการก ร, ร, ระทาแปลว่าการอบรมแปล่การปฏิบัติจิตเจ้าของ mm hmm. ให้สงบเดี๋ยวสมาธิภาวนา mm hmm. สมบ mm hmm. เมื่อได้จิตสมบแล้วก็เรียกว่า วิปวัสนาภาวนาคือทำจิตให้เกิดปัญญาอบลมจิตเจ้าของให้มันเกิดปัญญาให้มันหายโง่หายหลงนัะ่ะเรียกว่าปัญญ า, างงความโง่ความหลงนั่นเราเรียกว่ า, ากิเลสเรียกว่าอาวิชชาความฉลาดก็เรียกว่าวิชาความรู้ความฉลาดนี่เรียกว่าปัญญาพอเดียกวกัน อันดับแรกก็ต้องทำสมถะซะก่อนให้ได้ซะก่อนสมถะก็คือการอบรมจิตปฏิบัติจิตเจะา้องให้มันสงบนะโดยใช้คำวิธิกรรมคำภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งจะเอาพุโทโธก็ได้เอายุกหน้อพองนอหนอสัมมาอลระหังหรือ จะเอาอาณาปานมันสติก็ได้แล้วแต่ใครถนัดเคยทําสงบมาอย่างไงก็เอาอย่างงั้นแหละเอาเอ า, เอามันเดิมเคยสงบอย่างไงก็เอาอย่างนั้นอย่าเปลี่ยนนะเปลี่ยนแบบใหม่มันไม่สงบนะเปลี่ยนทางใหม่เอาทางเก่าเคยเข้าสมาธิได้เอาคำมิริยกรรมอะไรสงบก็เอายังงั้นล่ะ คำวิเลกกรรมคำภาวนาก็เปรียบเสมือนเหยื่อล่อลอยจัเอจิตของเราล่อเอาจิตแค่ใจเียของเราไม่มาเสียบอยู่กับคำวิเลกรรมหมดใดหมดหนึ่งเพื่อจะจับเอาจิตเท่านั้นแหละเมื่อจับได้จิตเได้จิตเห็นจิตแล้วคำวิเลกกรรมคำภาวนาก็จะจางคายหายไปแล้ว ไม่ต้องไปหาขึ้นมาอีกไม่ต้องดึงขึ้นมาอีกเมื่อมันจางคลายหายไปแล้วก็ปล่อยไปพอะสติมาจากอดแตผู้รู้อารมณ์หายว่าคำาิธิกรรมหายไป ก, ก็จะมีรู้เฉยรู้เฉยอยู่นี้มันไม่ยากดอกส่วนพระพุทธองค์ท่านาได้รับความสำเร็จด้วยอนาปานสติอนาปานสตินะ ท่านยังสอนอาณาปานุสติอาณาปานุสติเนี่ยเป็นการภาวนาแบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าในหนอุบัติเป็นเราสอนที่อาณาปานุสติเท่านี้นะเท่าที่คนดูตรวจสอบดูแล้ว อ, อาณาอาณาเขาแปลว่าลมหายใจเข้าแบบง่ายๆ ปานก็แปลว่าลมหายใจออกสติก็แปลว่าระลึกรู้เอาสติมาระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเท่าออกเทนี้ก็เรียกว่าภาวะนาะทาไม่หยุดให้สติกับลมหายใจมาลู้กันมาเสียบกันอยู่ไม่บางออกจากกันไม่ยอมให้วางออกจยกกัน เอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องในรืของสติทำอยู่อย่างนั้นคุ้มอยู่อย่างนั้นเอาไปเอามาลมหายใจก็จางคายไง่ายไปก็คงเหลือทั้งแต่ความรู้รู้รู้เด่นขึ้นตัวผู้รู้เนี่แหละทันเรียกว่าพุทโธจิตตัวผู้รู้ที่เป็นพุทโธ รู้รูู้เด่นขึ้นเราก็เอาสติไปจับเอาผู้รูนะ้เนี่ยผู้รู้เนี่ยแหละพุโทโธแปลว่าคือพุโทโธ<ม>นี่แหละขเขาเรียก<ม>ว่าตกเด็ดเอาปลาภาวนาเอาจิตจิตคือผู้รู้อาศัยอยู่ที่ลมหายใจจิต ค, คือผู้รู้ผู้รู้กับพุโทโธก็คนเดียวกันอ่าอยากได้ดจิตก็จะเอาลมหายใจเท่านี้ะ ยืนเดินนั่งนอนให้มีสติรู้ลมเห็นหลาอย่างนี้ก็เรียกว่าภาวนาทําอะไรอยู่ก็ให้มีสติอยู่นี่ก็เรียกว่าภาวนาง่ายๆมา่อดูไปดูมาลมหายใจจางกายงายไปคงเหลือแต่ผู้รู้รู้แล้วก็เฉ ย, ยรู้เฉยเฉยรู้ไม่เอาอะไรนะรู้เฉยรู้เฉยอยู่ ผู้รู้เนี่แหละไปเรียกว่าพุโทโธท่านั้นพุโทโธลักษณะหนึ่งจะเป็นความว่าเป็นธรรมชาติข้อบจกักรวาลอตัวธรรมชาตินี่แหละเรียกว่าธรรมโมธรรมโมนะผู้รู้ว่าว่างผู้รู้ว่าสงบผู้รู้ว่าเป็นพุโทโธธัมโมก็คือเราก็คือสังโฆ ทำไปทำมาเราก็จะเห็นพุทธธรรมสงภายในเห็นพุทธโธธรรมโสมโค้องกันขึ้นมาก็เรียกว่าเราได้สรณะที่พึ่งที่พึ่งกำจัดไยได้จริงที่เราว่าข้าพระเจ้าขอถึงพระบุทรเจ้าพระธรรมพระที่นิสงว่าเป็นสรณะที่พึ่งกำจัดไยได้จริงนี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหน มันกจัดภัยได้จริงีนน่ถ้าใครไปเห็นพุทธธรรมสงภายในนี้ยก็โอ้เกิดมาไม่เสียชาติเกิดแล้วที่ไ้มทำเอาง่ายๆนี่แหละอาณาปานนสติเท่ง น, นี้มีสติรู้ลมให้ใจอยู่ชนี้ลมให้ใจจางครายง่ายไปก็เหลือแต่ความรู้รู้ปรากฏขึ้นก็สติไปจับเอาคนรู้ ง่ายแค่นี้ไม่ต้องไปมีพิธีเีดอมอะไรอื่นหลายกว่านี้ไปคิดว่าจะไปได้อันนั้นจะเป็นเป็นอย่างนี้จะไปเห็นอันนั้นไม่มีหรอกมีแต่คนหลอกกัน้เชฉยๆนั่งลงเห็นอะไรหรือยังเห็นอะไรจะไปเห็นอะไรเห็นความว่างเห็นความสมองเห็นจิตจิตคือยังไงจิตก็คือพรู้นี่แหละจิต ถ้าไปเห็นอันหนึ่งก็ไม่ใช่เห็นจิตตกเบ็ด อ, อกปลาภาวนาเอาจิตเราจะไปเห็นอย่างอื่นไม่ใช่นะไม่ถูกนะให้พากันเข้าใจไม่ใช่ไปเห็นรูปพระไปเห็นแสงเห็นเสียงเห็นอะไรพุโทโธเป็นผุทลูรู้อยู่เฉยๆอีกอันหนึ่งก็เป็นธรรมชาติว่างครอดจักรวาลอยู่เฉยๆนี่นเรียกว่าธรรมโอ้พุโทโธธรรมโอก็คือใจดวงเดียวนี่นแหละเราพึ่ง สารหน้าที่พึ่งพึ่งได้อย่างไงนะใครเห็นคุนทธธรรมทรงภายในก็ได้เกิดมาไม่เสียชาติเกิดเห็นที่พึ่งของเรากางจัดไยได้จริงพุทธโทนี่เป็นเพียงผู้รู้ ร, ร, รู้อยู่เฉยๆทำโมว่าเป็นธรรมชาติเฉยๆไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีตว์มีคนไม่ใช่จะไปเห็นอันนั้นเห็นอันนี้ขึ้นมา คงไม่ใช่นะให้ภา ก, การเข้าใจไม่ได้ไปเห็ น, น, นอะไเดยเห็นจิตจิตคือผู้รู้จิต ก, กับผู้รู้กัคนเดียวกันหรือพุทโธก็คือผู้รู้กับคนเดียวกันนั่นแหละไม่ใช่ไปเห็นแสงเห็นสีว่าว่าวิบวิบอันนั้นมันจิตแสดงแปลงเพศขึ้นมาหลอกเจ้าของเฉยให้ภา ก, กันเข้าใจอย่างนี้ภากันภาวนา ทำไปทำมาเห็นไม่เห็นก็ช่างเห็นอะไรหน้าที่ของเราก็คือเอาสติมาละลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นคูดง่ายๆลมหายใจลมหายใจก็คืออุปกรณ์อันหรือเปรียนเสมือนไม้ไม้ไม้เขาไม้อันหนึ่งนะสมว่าเขาอยากจะเอาเอาไม้สองอันอย่างนั้น ไม่สองอันมาถู่ไฟพุโทโธพุโทโธหรือ้วอันเาปางกัสติก็เปรียบเสมือนไม้อันหนึ่งจิจของเราก็เปรียบเสมือนมันไม่อันหนึ่งไม่สองอันมาถู ก, กันเอาสติมารู้อยู่มาเสียบอยู่กับคําบริกรรมคําพนามาเสียบอยู่กับลมหายใจนี่ไม่วางออกจากกัน ถูกันอยู่เนี่ยเสียดสีกันอยู่อย่างนั้นเอาเวามาไม้ก่อนลูกเป็นไฟกันมาจิตของเราก็เยือกเย็นเป็นสมาธิเท่านั้นถ้าไม่วางจากกันมันมีแค่นี้แหละการทําสมถะบางคนคิดว่าจะไปเห็นอันนั้นอย่าไปได้อันนี้ยังให้มันสงบอย่างนั้นอยากสงบอย่างนี้แต่งยังไม่แต่ ง, ตงมันแต่งไม่ได้หน้าที่ของเราคือคุมจิต มันให้ลูอยู่ที่ลมให้ใจเราเนี้ให้มันเสีบอยู่กับลมให้ใจอย่าคายกับอย่าวางออกจากกันหน้าที่ของกิจมันก็มีหน้าที่เลียกหนีออกจากลมให้ใจไปเหมากันแล้วต้องคุมให้อยู่คุมให้นั่นมารู้อยู่ที่ลมให้ใจรู้ไปรู้มามันเกิดมาเองมันเห็นมาเองเยือกเย็นเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วไม่ต้องไป สงสัยไม่ทําไปปรุงไปแต่งอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้ความอยากนั้นน่ะมันปิดกัน้นคือตั้งหายนั่นไม่เกิดดอกสามารถที่ไม่เห็นดอกถ้ามีความอยากอยู่เอาควาอยากจะทํำยังไงอยจะมาสวนขึ้นมาทําไปทำไมอ๋อทาเป็นการปฏิบัติบูชาพระบุญเจ้าว่าทำมาสงคุณมาดาบิดาพของเร สงบก็เอาไม่สงบก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็หมดเวลาแล้วก็หยุดไปวันหน้าเราก็ทำต่อไปทำด้วยความยินดีพอใจไม่ใช่ทำด้วยความอยากให้มันได้เป็นอย่างนีง้อยากให้มันเป็นชั้นนั่นอยากให้เป็นสมาธินั่นอยากหเหะเอ่ยเดินอากาศอยากดำดินบินบนได้อยากเห็นสวรรค์ิีพานอยากอัไ น, นั่นอะ น, นี่ทำด้วยความอยากไม่ไม่เกิด ทำด้วยฉันท้าความยินดีพอใจเกิดก็เอาไม่เกิดก็เอานี่ใช่นี้ง่ายนคนไปคิดยากสมัยต้องตามปฏิบัติใหม่ๆหม่โอคิดกว่าไปไต่ยินคนนั้นไหวอย่างนั้นคนนี้ไหวอ่านีก็อยากได้มันกับเขาอยากเป็นมันกับเขาเลยจริงมันไม่ยากอะไรนะพอมาทำดูเอาสติจับอางมณใหใญ่ล เข้าออกเข้าอกเข้าก็รู้ว่าเข้าออกก็รู้ว่าออกอืออานาปานสติบุคคลในทงแล้วจเจริญให้มากแล้วย่อมได้เจโตวิมุตและปัญญาวิมุตจิตหลุดพ้นจากอาสากิเลสอาสาวกิเลสในปัจจุบันใชาตินี้เขาสู้กันในพา้าน อาณาบาลนั่สติองค์ใดทําแล้วจเจริญให่มากแล้วย่อมได้เจโตมิมุตเจโตวิมุตก็คือจิตหลุดพ้นจากขันหานั่นแหละชั่วชานคงไม้สมาธิขม่มไว้เรียกว่าเจโตมิมุตมิมุตแปลว่าหลุดพ้นลุดพ้นจากลูกเวทนาสัญญาทั้งขานวิญญาณหลุดพ้นจากขันห้า ชั่วสมาธิขมไม่สะกดไว้นี่แหละเรียกว่าเจโตวิมุตต์ท้อใบเมื่อออกจากสมาธิมาก็มาเดินปัญญาเกิดปัญญาขึ้นว่าเรียกว่าปัญญาวิมุตตจิตหลุดพ้นจากขั้นหน้าชั้นสองอย่างหลุดพ้นในสมาธิหลุดพ้นตอนออกจากสมาธิจิตของเราก็บรรลุเป็นอรหันต์ท่านั้น ไม่ต้องไปหาพิธีรีตองทําอะไรนี่มากเอาคำมฤรษ์กรรมอะไรมากมายกายกองปั้วใหญ่อยู่ที่ลมให้ใจเท่านั้นอาณาปานสติต้องเชื่อว่าพระพุทธเจ้าทําแบบนี้ภาวนาแบบนี้นะให้มันเสียดสีกันอยู่นั่นนะอำมฤกษกรม ร, กรมรกรม ร, กรมฐานหรือคำมฤกษกรรมคำภาวนาเปรียบเสมือนไม้อันหนึ่ง จิตหลังของเราก็เปรียบเสมือนไม้อีกอันหนึ่งไม้แห้งเอามาทูกันอยู่อย่างนี้แหละทำบุญกรรมกับจิตี่ให้มันเสพกันไม้ถูกันอยู่อย่างนี้ทําได้ขึ้นนี้ก็สงบขึ้นนี้เลยไม่ให้ออกนี้อย่างกันทูกันอยู่ให้มันเสพกันรู้กันอยู่นี้มนนนนไม่วางออกอย่าง ก, กันเอาไปเอามาก็เกิดเจโตมีหมดจิตลุกพ้นจากทันหา ชั่วชาญขมไว้สมาธิข่มไว้ก็ได้สมาธิขึ้นมาเท่านั้นแล้วเห็นพุทธธงสมสงภายในหินสารนาที่พึ่งกาจัดภัยได้จิงเรามองเห็นแล้วในสมาธิพุทธโทนเป็นผลุลู้ลู่ลูเฉยอยู่ไม่เอาอะไรเส่าอย่างยี่งแตลู้กับเฉยอยู่เขาเรียกขาเอกข้าตลมไม่ยินดีไม่ยินไายลู้แล้วบอก ลแล้วก็วางรู้เฉยเนี่ยกว่ารู้เฉยตั้ว่าเฉยนี่เป็นกลางอยู่รู้รูเป็นกลางกลางอยู่อะไรมากระทบจิตกอกับเพื่อมออกรับอารมณ์รู้เฉยรู้เฉยอยู่ทั้งนั้นจิตของเราจิตแท้ใจเดิมของเรานะไม่เอาอะไรสักอย่างไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์บุคคลอยู่ในจิตในใจอ่า เมื่อออกจากสมาธิมาแล้วก็เอาพุโทธรรโธธโมสังโคเนี่ยมาจีงลงไว้เป็นผู้รู้ ร, รู้ตายไม่เป็นเขาก็เรียกว่าอามตะจิตอมตะธาตุนะพุโทโธตัวนี้ตั้งชื่อการถ้าเป็นธรรมชาติอยู่ก็เรียกว่าธรรมโมมันมีอะไรนะเมื่อธาตุจะแตกขันจะดับเราก็เอาจิตให้กับพุโทโธเอาผูดด้ตายมันเป็น ได้สารหน้าที่พึ่งก็เขาด่าก็ไม่ถูกพุทโธธโมเพราะว่าไม่มีตัวตนสัตวคนเป็นเพียงธาตุกายสิทธิ์เป็นธรรมธาตุอันหนึ่งเท่านั้นไม่มีเจ้าของมลมพัดก็ไม่ถูกน้าท่วมก็ไม่ถูกพุทโธธโมเนี่ยแม่ความตายมรณะใครก็ ไ, ไม่พุทโธธโมกัดตายมันเป็น แล้วก็เอาจิตไปอยู่กับพุโทโธธรรมโมนี่แหละนี่แหละกำจัดไพร่จริงถ้าการทําเอาถ้าได้สมาธิมาแล้วได้ฌานเรียกว่าปฐมฌานตุติยะฌานตติยะฌานก่นี่แหละอันเดียวกันของสมาธิเรียกว่าฌานก็ได้เรียกสมาธิก็ได้มันมีอารมณ์เท่ากัน อัปนาชาญก็มีอุเบกขาเอกขันตาลมอัปนาสมาธิก็มีอุเบกขาเอกขันตาลมชาญกับสมาธิก็คืออันเดียวกันนั่นแหละมีอารมณ์สองเท่ากันเมื่อได้นี้แล้วออกจากสมาธิเราก็เดินปัญญาลปัญญาเพื่อฆ่ากิเลสกิเลสในที่นี้ก็คือความโง่ความหลงความรู้ไม่จริง เรียกว่าอวิชาเนี่ยอวิชาตันง้าอุปทานมาฆ่าพวกนี้หน่เดินปัญญาอวิชาก็แปลว่ารู้ไม่จริงแปลว่าโง่แปลว่าหลงแปลว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดปัญญาก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องเรียกว่าวิชาวิชานี่มาค่าวิชา เอาบัญญาเนี่ยมาฆ่าความโง่ความหลงลองมันไม่เป็นหลงที่อื่นน้อกมันก็หลงเบื้องต้นก็หลงกายอยู่ของนี่แหละว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาอยู่เนี่ยอันปลายเบื้องปลายก็หลงใจอยู่ของนี่แหละว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่เนี่เบื้องต้นก็ลงกายเบื้องปลายก็ลงใจเย่อลงมาก็หลงขันห้าหลงกายกับใจ ท้านี้ไม่ไม่หลงที่งเนาะหลงเป็นเราเป็นเขาเป็นเศษเป็นคนนี่แหละมิชัาทิฏฐิความเห็นผิดนี่เรียกว่าอาวิชชาพระพุทธองค์จึงให้เดินปัญญาพิจารณาดูสังขารสังขารคือก้อนสะกลกายประกอบด้วยดินน้ำลมไฟอากาศ ดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณธาตุทั้งหก ม, มาผสมปรุงแต่งกันขึ้นเขาก็เรียก ว, ว่าสังขารสังขารคือร่างกายจิตใจสังขารคือขันขันห้าข้ว่าสังาขารก็ว่าสิ่งผสมปรุงแต่งดินน้ำลมไฟอากาศมาผสมปรุงแต่งกันขึ้นจึงเป็นที่ตั้งของสมมติปัญญา ให้เป็นหลงที่อื่นหรอกมาหลงสมมุตินี่แหละสมมุติก้อนสนกลไกนี่ดินน้ํามลมไฟอากาศปัญญาเนี่มารวมตัวกันเข้าเป็นก้อนก้อนสังขารก้อนนี้แหละเป็นที่ตั้งของสมมุติบัญญตัติบัญญัติแปลว่าตั้งชื่อขึ้นมาตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาใช้ร่วมกันยิงว่าเป็นที่ตั้งของสมมุติบัญญตัติเขามาตั้ง ก้อนสกุลกายนี้แหละว่าสมมุติว่าตั้งสมมุติว่าว่าสัตว์ว่าคนว่าเราว่าเขาเนี่เราก็เลยไปถือเอาว่าเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาจริงๆถือเอาตามสมมุติที่ตั้งของสมมติบัญญัติก้อนสกุลกายสังขารที่จริงท่านก็ให้พี่นาดู คนจริงๆไม่มีเขามาตั้งชื่อว่าคนบัญญัติว่าคนใช้เรียกกันให้รู้ทั่วไปาชาร่วมกันในโลกนี่เฉยๆตั้งว่าตัวตนเราเขาก็เหมือนกันตั้งออกจากก้อนนี้แหละตั้งชื่อสมมติออกจากก้อ น, นนะอันนี้สังขารนี่จึงเป็นที่ตั้งแห่งสมมติบัญญัติ บัญญัติว่าคนว่าสัตว์ว่าเราว่าเขาว่าตัวว่าตนว่าผมว่าเล็บว่าฟันว่าเขนว่าขาว่าหน้าว่าตาก็บัญญัติออกจากก้อนเดียวนี้อตั้งชื่อออกจากก้อนเดียวนี้ตั้งชื่อมาใช้ร่วมกันเราอะไรมาถึงเอาจริงๆยังยังถือเอาสมมุติว่าเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นคนจริงๆว่าเป็นเราจริงๆเขาโคโลงจึงว่า ไม่ใช่เรามีโดยสมมุติเท่านั้นคนก็มีโดยสมมติอคนจริงๆไม่มีนี่แหละสมมุติบัญญัติเป็นที่ตั้งของสมมุติบัญญัติสมมุติไปร้อยแปยดพันชื่อก็สมมุติออกจากก้อนอันเดียวกันนี่แหละเมื่อทอดสมมุติออกหมดมันก็เหลืออยู่ก้อนอันเก่าเหละเนีืย แ, แต่บัญญัติธรรม กลาเป็นบัตรธนบัตรทาไปเสียแล้วเศษบุคคลจริงๆก็ไม่มีแล้วมีโดยสมมุติเราจริงๆก็ไม่มีเนี่ยมาหลงอยู่แค่นี้แหละอะไรเกิดขึ้นเมื่อตายเห็นลูกพอมาหลงว่าเราเห็นอยู่แค่นี้โอ้ยยินเสียงเมื่อวาเราได้ยินเอาหมาว่าเราในนี่หมดเลยที่จริงเราไม่มีเรามีโดยสมมุติถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะว่า สมมติออกนี่แหละเรียกว่าปัญญานี่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นผิดปัญญาโลจิยะปัญญาเพื่อนปัญญาสมมติปัญญาโลกโลกโลจิยะ ป, ป, ป, ป, ปัญญาโ ล, โ ล, โลกุตระปัญญ า, ป, ญญาปัญญาที่พ้นจากสมมติปัญญาสัมมาทิฏฐิ อปัญญาลู่จริงลูกแก่แง่โลว่าไม่มีสัตว์บุคคลอยู่ในนี่นี่แหละโลปุตละปัญญามันก็อยู่ด้วยกันนี่แหท่านจึงให้ดับโลจิยะปัญญาครับปัญญาสมมุติปัญญาที่โลกเขาแต่งตั้งโลกสมมติขึ้นมาไม่มีคนจริงจรงไม่มีสัตว์ไม่จริงๆมันมีเราเขาจริงจริงไม่มี มันมีแค่นี้นะภาวนาที่ท่านพระพุทง์ตั้งชื่อว่าจิตตะภาวนาภาวนาแปลว่าการอบรมการกระทําการปฏิบัติปฏิบัติอะไรปฏิบัติจิปตจปฏิบัติใจของท่านเนี่ยอันหนึ่งปฏิบัติจิตให้เกิดความสงบเรียกว่าสมาถภาวนา อันที่สองก็ปฏิบัติกกจิตพบรมจิตเจ้าของให้เกิดเวญญาเขาเรียกวิบัตสนาภาวนาออกปัญญาอากายออกจิตมีเดียวสมมุิทั้งนั้นกายก็สัตก่กว่าเขาตั้งชื่อสมมติว่ากายเฉยเฉยไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนแล้วเขาเนี่ยพระธ์ว่าถ้าใครไปหลงว่า กานี่แหละคือสัตบุคคลตัวตวนเราเขาเขาเดียวว่าพูดนั้นเห็นพิษวิจชาทิฏฐิเห็นพิษวิช า, ชาแปลว่าพิษทิฏฐิแปลว่าความเห็นเห็นพิษสำคัญตนหรือหลงหรือรู้ไม่จริงหรืออวิชชาเอเมื่อผู้ใดไม่เห็นว่าไม่ใช่สัตบุคคลตัว ต, วตวนเราเขาจึงว่า สัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องความเห็นถูกต้องก็ดับความเห็นผิดลงเห็นว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอั น, นมิจฉาทิฏฐิก็เห็นว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขากลัสลับกันมันก็มีแค่นี้แหละถ้าเรามาดับความโง่ความหลงดับอวิชาได้มันก็โอ้ยมัน ม, มีสัตว์มีคนมีเรามีเขาอยู่ ถึงแม้ว่ามันขันห่ามันจะแตกจะดับเพราะเป็นเรื่องของธาตุของขันมันเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตา ม, มันเป็นของไม่เที่ยมทนอยู่ไม่ได้ทุกครั้งทนอยู่ไม่ได้ไปเปลี่ยนอยู่ตลอดวันตลอดคืนอนัตตาไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใครแล้ว อย่าเท่านะอย่าแก่นะอย่ามังงอกอย่าล้า ง, ง, ง่อมล้างงอนะมันก็บอกไม่ได้มันเป็นธรรมดาของมันอยู่เงินนี่แหละเห็นจริงความเย็นจริงเคอเห็นมันเป็นอันนิจจำทุกขังอนาาันนั้นตาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องง่ายง่ายแค่นี้แหละไม่มีอะไรหรอกเมื่อธาตุแตกคันจะดับเราจงไม่อะไรดอาบอ มันจะเตียเก็่ยดับไปก็เรื่องของธาตของขันมันแปรปวนเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้ตลอดวันตลอดคืนสั่งไม่ได้ไม่เยอะได้บพราับวัญชาของใครเราก็ปวยจิ้งไปแล้วก็เอาจิตเราไปอยู่กับพุโทโธธรรมโมสังโฆแล้วเอาไปอยู่กับพูดตายไม่เป็นเขาปนิพัตไปเลรื่อยก็่ยากแล้ว เอาจับเอาลมให้ใจเร่งเข้าถ้าผู้ใดอยากได้สมถะอย่าวางจิตกับลมให้มันรู้กันอยู่มันเสียกันอยู่เงี้ย เ, เมื่อมันถอนออกมาก็พามันคนดูสมมุติค้นดูกายกับลมกายก็ประกอบ ด, ด้วยธาตุสีจิตน้ำลมไฟเยี่ยมออกให้มันจิต ด, ดูจิตน้ำลมไฟที่เป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาไม่มี ไม่มีเรามีเขามีสัตว์มีคนตัวตนอยู่ในนี่ยิ่งว่ากายสัตวแต่ว่าเขาตั้งชื่อสมมุติว่ากายเฉยๆสนะัตวแต่ว่าสัตว์แต่ว่ามันไม่มีอะไรอยู่ในกายนี่นะเขาตั้งชื่อสมมุติว่าสัตว์ว่าคนว่าเราว่าเขาเฉยๆปัญญานี่เหรอเห็นถูกต้องอวิชชาความโง่ความหมามลงก็ดับไป แต่ก่อนเราเห็นว่ามีเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาอยู่นี่เท่านั้นแหละพอามารู้นเทว่าไม่มีเรามีเขาสัตว์บุคคลนลยนี่สัตว์บุคคลตนตนเราเขาก็เป็นเพียงโลกเขาโลจีญะปัญญาของโลกโลกเขาแต่งตั้งสมมติขึ้นมาเรียกใช้ร่วมกันเฉยๆในชีวิตประจําวันในสังคมมนุษย์นี่เฉยๆ เรารู้เท่าเข้าใจอย่างนี้เราก็ดับความเมียนผิดได้ความเห็นถูกต้องก็เกิดขึ้นมาเท่านั้นง่ายๆเขาทําอยู่เก่าปีสี่ปีเดี๋ยวเรามาทําพื่อเดียวเราเข้าใจเพราะไม่ไปหลงทางไปหลงทางไปคนไปหาถ้าไม่มีคนใครพูดอยู่นี้เป็นสามยอย่างว่าให้พูดอยู่นี้ถ้าคนไม่มีไม่มี มีแต่ลูกทำนาท้ำทำยิงอาศัยกันเกิดธรรมชาติยิงอาศัยกันเกิดเฉยๆไม่มีสัตว์มีคนสภาวะทำสภาพทำลูกกับนามกายกับใจยิงอาศัยกันเกิดไม่มีเจ้าของให้เห็นชัดแจง้งขึ้นอย่างนี้เราก็ดับได้เท่านั้นดับคั้นห้าได้ดับขั้นห้าได้ก็เข้าสู่พกัณฑ์ดับ ความหลกควากดคนหลงได้ความหลกคากดก็หลงว่ะะาเกิดจากนี่เกิดจากอายตนะภายนอกภายในกระทบกันวิญญาณรู้ขึ้นเรียกว่าขันห้าเกิดเนี่ยขันห้าเกิดกับเดียบพร้อมกันคนหลงว่าขันหา้นหาเป็นเราเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาจึงไปอุปบกฐานของขันหา้าเมื่อรู้ว่าขันห้าว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ขันห้ามันจะอาจจน้าภายนอกภายในมันจะทํางานร่ว ม, มกันอยู่กับวิญญาณขันวิญญาณอวิญญาณตาทํางานร่วมกันอย่างนี้วันนัดจีครั้งนับไม่ไหวมันก็ไม่ไปตำหนัดขัดเคืองไม่ไปยินดียินรายเพราะไม่มีสตวบุคคลตั ว, ต, ว, ต, วตัวอยู่ในนั้นเข้าใจว่าดับขันห้าได้ดับขันห้าได้ ถ้าเห็นลูกก็ไม่เกิดความโลภแล้วโอ้เยเห็นเสียงก็ไม่เกิดความโกรธขึ้นแล้วเพราะว่าลูกอ่าขันหน้าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไย่างนีนั่นอืมปัญญาก็มีแค่นี้สมถะวิปัสสนาพูดดรอ้ง่ายๆพูดอ่ะพูดต่อไปก็อันเก่าเนี่ยแหละสมาถะก็คือกินสมบุกเท่นั้นวิปัสสนาก็ทําให้เกิดปัญญาตรงนี้กัของเก่าอย่างเงี้ยนะ แต่พูดขยายออกไปคนในเรื่องสังนวนของพระสูตรโภคานของพระสูตรสมมุติออกไปต่างๆนานากันสมมุติว่าขันห้าก็คืออันเดียวกันกับอยันะหนาสิองสมมติว่าธาตุสิก็คือขันห้าสมมุติว่าอริยสัจสีก็คือขันห้าเกิดดับสมมุติว่าปฏิจจสมุปบาทก็คือขันห้า ปัจจัยลูกกับน้ำเองอาศัยกันเกิดเท่านั้นไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้พูดขยายความออกไปแกกออกไปให้เราท่านทั้งหลายเข้าใจเฉย ๆ, ๆหมายถึงท่านห้าอันเก่านั่นแยกออกไปขยายออกไปตามพระสูตรสุตตโวกนั้นวา น, นของพระสูตรสมมติแยกออกไปเฉยๆไม่ต้องไปสงสัย ไม่ต้องไปสงสัยดับโลกโลกการมโลกการมโลกก็คือรูปเสียงกินรสเผ็ดที่ผ่านเนียวนว่าการมการมโลกรูปโลกก็คือนั่งสมาธิพิจิตออกจากการมได้จิตของเราก็ไปท่องเที่ยวอยู่ในรูปโลกรูปราวะจอนจิตพรานนะั้ิบออกจากรูปบาวะจอนจิต ก, ก็ไปตั้งอยู่ ในอรูปภาไอ้จอรจิตอรูปโลกรูปโลกอรูปโลกพว ก, ก, ก, ก, ก, กนี้ก็เป็นขันธ์ห้าด้วยกันหมดนรูปเสียงกลิ่นรสผดทว่าตือกลางมะคุณห้ากลางมะคุณห้าก็คือรูปภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาเขาเราเราก็เรียกว่ารูปภายในไม่ใช่รูปภายนอก กับลูกภายในกระทบกันวิญญาณดาวโขจะหมวกยิ่งเกิดขึ้นเ็าเรียกว่าลูกกับน้ำอิงอาศัยกันเกิดขันห้ยิงอาศัยกันเกิดเท่านี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นต่อขันห้าขันขันกลางมาโลกก็ น, น้เข้าสมาธิก็ขันขั้นรูปโลกอารมณ์ที่สงบว่าอารมณ์ที่ไปเกาะไปติดอยู่ในทาวานันอ่าอัน รูปชานรูปชานเนี่ยมันเกิดทางมโนทวารอย่างเดียวนะเอามาคุณห้ามันเกิดได้หอย่างเกิดจากกลุ่เสียงกลิ่นรสได้หมเกิดจากทางหูทางตานสําหรับรูปชานเกิดทางมโนทวารอย่างเดียวมโนก็คือใจอารมณ์ที่มาสง บ, บมาปรากฏขึ้นที่ใจก็เรียกว่ารูปภายนอก ใจของเราก็เคยลูบภายในมโนวิญญาณรู้ว่าเราสงบอย่างนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่านามลูบ ก, กับนามก็คือขั้นห้าฐานเก่านั่นแหละขั้นอย่างอย่างขั้นอย่างละเอียดขั้นอย่างประนิบดับโลกก็ดับนี่แหละดับกรรมโลกลูบโลกก็ลูบโล ก, ล ก, ลกดับที่ไหนก็ดับที่ใจเราเนี่ยนะไม่ไปหมอเงินเดินอากาศขึ้นไปดับหรอก ดับด้วยสติปัญญาเห็นว่าขั้นห้าขันห้าเนี่ยคือโลกขัน้นขั้นกลางมัโลกขั้นรูปโลกลกรูปโลกซ้อนกันอยู่นี่สามแดนโลกธาตาุก็ อ, อยู่นี่แหละนั่งอยู่นี่เลยไปรวมอยู่ที่ใจดวงเดียวแล้วนะดับใจดวงเดียวแนละ้ดับตัวผู้รู้ผู้เดียวเนละ้ไม่ไปไปดับที่เห็นดับตัวผู้หลง ดับตัวผู้หลงดับตัวผู้โง่ตัวเดียวทัวหนึ่งไปไปรู้ที่อื่นทำดับที่อื่นด อ, อไม่อยู่ไกลหรอกนิพพานมีอยู่ทั่วทั่วทุกตั ว, ว, วสัตว์แต่คนไม่ปฏิบัติคนหาเฉยนั่งสมาธิก็ได้เจตัววิมุตต์แล้วออกจากนั้นก็เดินปัญญาก็ได้ปัญญาวิมุตต็ปหลุดพ้นไปเท่านั้นไม่ได้อยู่ไกละอะไรหรอก คนกค็คิดว่ามันหมดการหมดสมัยมันไม่หมดยังไงมีอยู่คือเกา่าคนบอกก็มีอยู่คือเกา่าบอกทางไปนิพพานทางไปนิพพานก็คือสีนสมาธิปัญญาก็ยังมีอยู่คือเกา่าพระนิพพานก็มีอยู่คือเกามีอยู่ที่ใจของเราไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนแถ้ากันตั้งใจทําออกให้มันได้ อย่อยากลับมาเกิดไม่แก่มาเจ็บ ม, ม, มาตายหยุดเถอะมันทรมานคนเจ็บคนแก่คนตายมันเคยเห็นไหมล่ะเขาเจ็บเขาแก่เขาตายมันทรมานขนาดไหนเราไม่เคยพิจารณาดูเนดะ็กเอาละวันนี้ให้โอกาสเอาเวลาทวนไทถามนิดๆหน่อยๆเอาละพอ เป็นไงสมบูรณ์ไหมพอนั่งดีเลยจก่งมากเก่งมากเก่งมากสำคัญเราเข้าใจวิธีธรรมทำไหมเท่านั้นละ่ะเข้าใจวิธีธรรมมหลังงั้นเข้าใจก็ผ่าฮะเข้าใจก็ผ่าง่ายๆเข้าใจแล้วก็ทำเท่านั้นเองถ้าไม่เข้าใจก็ถามมา ทำอย่างนั้นอย่างนี้ถูกไหมใช่ไหมไม่ต้องอายใครดอกถ้าสงสัยมันก็ชัดแจ้งอยู่แล้วล่ะอาณาปานาสติใช่ไหมหลังเนอะอาณาก็แปลว่าลมหายใจเข้าปานก็แปลว่าลมหายใจออกสติก็แปลว่าระลึกรู้เอาสติไประลึกรู้ลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าภาวนาน ถ้าเราทําไม่หยุดก็จะได้สมาธิขึ้นมาง่ายไหมละ่ะสงบเคื่องเก่าว่าเดียวเ น, นะ น, นี้ยนะอันลืมชื่อแล้วละ่ะยังกอื้อยังกอดเด็ดดวใจค่ะดวงใจแม่อแปอลูกจากอยู่จำได้หมดนะแต่จำชื่อไม่ได้เฉยลูกขีก้แย อถ้าเข้าใจแล้วก็มันมีอะไรจะพูดให้ฟังแล้วจะถามอะไรอีงไหมหลังแต่อย่าอย่าให้มันออกจากกันนะลมกับจิตนย่ให้มันเสบ ก, กันอย่างถูกันอย่างี้ระวังระวังมนันมันอย่ามาเสแส้งแกล้งหลอกเรานะ ทำท่าคั้นนั่นขั้นนี่ปวดนั่นกวดนี่มามันจะดึงออร์กิตของเราออกไปออกไปรู้อยู่กับมนันไปเสียบอยู่กับมันท่ท่านไม่ให้ไปเสียบกับมนันอาศวนาจะพาลนังไม่ให้ไปเสียบกับมนันไม่ให้ไปเสียบกับคนพานใจเรานี่แหละเป็นคนพานพยายามจิตจะลัดนี่แหละพยายามมันมนผู้ใจบาปมอย่าตามหายจิตเรานะ ลอ่อจิตโลาไปมันก็ทำท่าปวดขาแรงๆขึ้นมาต่อปวดแรงก็จิตอดไม่ได้ก็แค่ที่มันเสีบอยู่กับลมกว็วางจากลมหนีวางจากฐานไปไปรู้อยู่กับปวดขาเรียกว่าไปเสียบกับมันแล้วนะั่นเสวานาแปว่าเสียบแปว่าซ่อมแปลว่าอะไรเสียบานานั่ยล่ะ แล้วก็เสียเปรียบเราก็ตั้งสติใหม่เองเรียกดั้งสตินะอย่าไปไปเสพให้มันเสพนานมันจะเกิดเป็นพวกเป็นชาติขึ้นมาเสียเวลาอีกตั้งสติใหม่อย่างนั้นละเอาเวมายจิตก็สมบุกสมบรสมกนี่มันไม่มีตัวไม่มีตนมีสัตว์บุคคลนะว่างเป็นธรรมชาติสว่างสวัย่องใสอยู่ แล้วก็เป็นผู้รู้รู้รูอยู่นั้นนะไม่มีบางคนมานจะหลอกเอาอย่างยื่นมาให้เราดูแล้วเนื่อว่าจิตเราสงบไปไปคว้าเอามับมั่นะไปยึดแปะถือออกมานมาหลอกมาล่อเสียแสงแป้งขึ้นมาเป็นภาพนั้นเป็นแสงนี่เป็นแสงโอภาษเป็นแสงอันนั้นอันนี้ขึ้นมาเพื่อหลอกจิตเรา ให้ไปเชยไปชมเขาแล้วก็ไม่รู้ว่ามานเราก็เลยไปจับเอาไปจับคุ้มเอาไปคว้าเอากำเอามันเกิดขึ้นแล้วก็ดับเท่านั้นไม่มีอะไรไปกำเอากำแดด ก, กำลมไม่มีอะไรกำไม่ได้ยึดไม่ได้เข้าใจวิธทีทำแล้วก็คงจะได้หมดทุกคนอะอย่างนี้ตัวเนี้ เราเป็นวนัดใช่ไหมปกตินี่คือจะดูลมมันจะเห็นชักน่แล้ววันนี้เป็นวัด น, นะคะทีนี้ก็เลยไปดูท้องท้องยุ่งน ะ, ค, ะคือหายใจเข้าคือท้องท้องออกท้องนุ่นะคะ่แววะแล้วก็ดูไปดูเลยนี่ถึงจังหวะทโป่งอมันไม่ท้องที่ยุมันที่มันมันขี่ะค่ะตุ๊กๆๆเลยทิ้งแล้วก็นูตรงนั้น เออนั่นหละเอาไปมามันไม่รู้จากฟองจากยุคดดกมันก็เป็นอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันถ้าเห็นฟองเห็นยุคก็คเรียกว่าเห็นใจลักยานในฟองในยุคก็คเรียกว่าวิปัสนาไม่มีฟองกต ก, ต ก, ตกอมกเอาแปเอมามันจะเป็นอันเดียวกันลมหายใจก็เหมือนกันดูไปดูมาไม่รู้ว่าเข้าว่าออกโดกมันจะมาคล้ายๆกับเป็นก้อนเป็น กุ่เป็นอันเดียวกันไม่รู้ว่าเข้าบอกเอาไว้มาแล้วก็รู้อยู่ตรงที่ไม่รู้ว่าเข้าบอกว่าเขามาลมให้ใจก็เบาจางคายหายไปแล้วก็รู้อยู่ที่ตรงนั้นอันเดียวกันแม้เอาพุทโธก็เหมือนกันพู้ว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปเอาไว้มาพุทโธเนี่ยก็จะค่อยจางคายหายไปของเนือตั้งแต่ความว่างขึ้นมา แล้วก็เอาสติไปจับเอาผู้รู้ผู้ว่าผู้รู้ตรงนั้นก็เือมงอู่รู้ตรนั้นน่ะนั่นแหละรู้ว่าพุทโธงายรู้ว่ามันว่างรู้ว่าไม่มีตัวผู้รู้นี่แน่ะคือจิตแท้ใจเดิมของเราส่วนพุทโธที่เราเอามานเป็นคําบริกรรมเป็นพุทโธปลอมเพื่อมาล่อจากเอาพุทโธจริงเมื่อพุทโธจริงเกิดขึ้นแล้วตัวพุทโธปลอมเราไม่ต้องการ หรืเหยื่อเบ็ดเราไม่ต้องการเราปล่อยทิ้งไปแล้วก็เอาสติไปจับเอาผู้รู้รูเ้เฉยๆรู้เฉยรู้เฉยอเป็นเหมือนกันหมดเอายุบน้อพ้องเนาอก็เหมือนกันเอาเอาพุทโธก็เหมือนกันเอาลมหายใจก็เหมือนกันลมหายใจบริกรรมไม่ขึ้นไม่รู้ว่าเข้าว่าออกก็ถึงเอารมามันจะเป็นอันเดียวกันเหมือนกับค้องเราไม่รู้ว่ารู้ว่าความมันจะเป็นนิ่งเป็นอันเดียวกันไปเลย นะแล้วก็เอาสติไปรู่อยู่ตรงนั้นเอาไ้มาตรงนี้มันก็จะว่างว่างกับรู้อยู่แล้วก็เอาติดไปจับเอาตัวรู้กับตัวว่างนะัพุโทโธก็ไม่ขึ้นรวมให้ใจบริกรรมไม่ขึ้นไปดึงขึ้นมาอีกคิดว่าใจยังขาดกลัวมันจะตายไปดึงขึ้นมาอีกไม่นานมันก็หายไปอีกก็มีแต่ความรู้กับความว่างอย่ ไม่ต้องมาดึงขึ้นมามันจะหยากขึ้นมาอีกนะปล่อยให้ไปให้รู้อยู่เฉยเฉยรู้เฉยรูเฉยเท่านี้มัจฉะปฏิปฏุทธาข้อปฏิบัติให้ถึงความเป็นกลางคือรู้เฉยรู้เฉยเฉยแปลว่ากลางไม่ยินดีไม่ยินด้อยู่ตรงกลางกลาเรียกว่ารู้เฉยอารมณ์นี่แหละเขาเรียกว่าอารมณ์ผนิพันตรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยไม่เอาอะไรสักอยาก่างอ เมื่อเราฝึกเดินปัญญาแล้วตายเป็นลูกไู้ได้ยิงเสียงอยู่สติปัญญาจะตัดอารมณ์ออกจากจิตจิตก็จะเป็นผู้ลูเล่เฉยลู่เฉยอยู่ตลอ ด, ดวอันจิตเสวยมีมุติสุขอยู่ที่ทานบานไม่เอาอะไรสักอย่างมีแต่ลูเ่เฉยลู่เฉยอยู่ตรงนี้ก็อยู่ในอารมณ์พ่านิพพานอารมณ์เป็มุติสุขไหลมาทางตาก็สิ่งที่เกิดทางตาก็อนิจจังทุกขังอนันตตา แต่เราก็เป็นอรจจเนจรูปขครังอนัตตาวิญญาณตาก็เกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรสติปัญญามันจะตัดโลกตัดอารมณ์ตัดสมมติออกท่องเหลือตั้งแต่ความรู้เฉยโดยเฉยนี่แลละมัชิมะปฏิปทาข้อปฏิปฏบัติ่ถึงความเป็นกลางที่พระพุทธเจ้าว่ามัชิมะไม่ได้อยู่ที่อื่นรมีหมดทุกคนทุกท่านเเห็นทำได้ ออกจากสมาธิมาก็เอาตาก็้ามาเห็นลูกเราก็ตัดตาอารมณ์ออกได้ด้วยจิตมันเป็นผู้ลู่เฉยมันไม่เอาอะไรลูกที่เราเห็นก็เป็นอนิจจังรูปังรัตาานตารี่แต่สมมุติเฉยๆยังบอก ว, ว่าดับโลกดับสมมุติดับอารมณ์ดับสมมุติออกได้หมจิตก็ว่างลู่เฉยอยู่แบบนั้นอ่ะง่ายไ้หลังอะ ไอ้เห็นอย่างนี้แล้วก็ง่ายสบายหมดอ่าตีแล้วถูกแล้วถ้าไม่ขัดข้องอันหนึ่งก็แก้ไขวิธี ไ, มไปมีใครสงสัยอะไ ร, รอีกให้โอกาสยากที่จะได้มาเอ <c oughs> ออ ม, มันก็ยังไม่ไม่สงบมันมันมันลึกถี่ตลอดเวลาเราเราจะตัด โอ oh, ้เราเราจะว่างคําบริกรรมนะนี่คําบริกรรมยังไงเข้ารรใจไหมเนี่ยคําบริกรรมใครว่ า, าพุตโธก็นี่คือคําบริกรรมใครว่ายกหนอพร้อมหนอนี่คือคําบริกรรมใครว่าลมหายใจเข้าออกนี่แหละคือคําบริกรรมก็มีจิตอันหนึ่งในยทีนี้นี่จิตของเราเนี่ยเห็นจิตไหมเนี่ยจิตมันจะมาเสพอยู่กับอันเนี้ย ที่เราไม่บุ่นวายเม่อกี้เนี่ท่านไม่เอาจิตมาเสียดอยู่กับครวิริกรรมท่านวางจิต น, นี้มาหลอก เ, เอาจิตไปกินแล้วหลอกเอาจิตแล้วไปความแล้วขณะที่เราพุดโธหรอือเรายังอยู่ที่พุโทโธแต่มันไมยังมีส่อย่างที่มันมันเลื่อนไปมันออกมันมันไม่สนิทอย่างเนี้มม่สมันไม่เห็นพุโทโธชัดๆอะไรไหมถ้าเห็นลมหายใจเห็นเข้าชัดๆออกชัดๆ พุโทโธก็ให้เห็นพุโทโธชัดๆอันนี้ไม่ชัดนึกนึกในใจเฉยๆมันไม่ชัดต้องให้มันชัดมันเสียบกันอยู่อย่างเนี้จึงจะชัดนี่พุทธนี่โธนี่พุทนี่โทอยู่อย่างนี้มันจะไปไหนได้จิตอ่ะใช่ไหมล่ะที่มันไปได้เพราะเห็นพอลวักวักแแบบเนี่ยเห็นพุทธโธใช่ไหมถ้าไม่เห็นเสียบกันอยู่อย่างนี้ไปไม่ได้จิตนี้จิตเดียวเท่านั้น จต่นี้ไปที่อื่นไม่ได้เป็นเด็ดขาดสติคุ้มจิตมาอยู่อย่างนี้ที่มันไม่ได้ก็เพราะมันไปเสียกับ ม, มันมันจึงวุ่นวายขึ้นมาถ้าให้มาเสียกับทำหมดได้บนหนึ่งคือพุทโธหรือลมหายใจหรืออะไรนี่จิตก็จะเยือกเย็นเป็นสมาธิเย็นลงเย็นลงเย็นลงล ม, ลมห า, ายใจจามตายห้ไปคงเหลือแต่ความรู้ ร, รู้เด่นขึ้นอยู่อย่างนี้ ก็เอาสติมาจับเอาผู้รู้นท่านนี้นกับแปลว่าเราได้พุโทโธแล้วเราได้จิตแล้วที่มันไม่ได้เพราะว่ามันเห็นแล้ว่าแบบแบบออกได้เข้าได้ถ้าเป็นไม้สีไฟก็เอาไม้ออกห่างกันเข้าใจไห ม, ไม่ไม่มาสีกันอย่างนี้ถ้าสีอย่างนี้ได้หมดทุกคนใะในเนี่นยเข้าใจนะเว้นเอา ขาดค้ากันเลยแหละมันไปไหนอ่ะถ้าไม่รู้เป็นไฟอ่ะไม่ให้มันไปไหนเลยเอาให้มันรู้เป็นไฟเลยนะ่ะจิงจะสงบได้เข้าใจนะไม่ใช่ทําเล่นๆทําเล่นๆมันก็เคยตัวต้องคุมเอาอย่างนั้นแหละเล่นๆมันก็เล่นๆเหมือนกับเราเราพวกมานมันก็รู้กนตั้งแต่ามายาเนี่ยมายาสาไถเราทําเล่นมันก็รู้จัก อันบางคับให้มันรู้อยู่ยังยอมไปใี่ไปไหนมันออกไปไหนไม่ได้มันก็ต้องสงบเท่านั้นเท่อย่นะที่มันไม่สงบก็เพราะามาันหลอกเอาใจไปเดี๋ยวก็ขั้นหนึ่งขั้นหนเอาเมื่อไปก่อนจิตก็ไปนั่จิต ก, ออก็ออกนี้จะฐานสมาธิไปออกนี้จะทำกิกรรมไปเข้าใจไหมล่ะเอา เอาละเอียดทอดนะฟังให้เข้าใจชัดๆถดงจะทําได้ที่ไม่ได้เพราะว่าเราบกห้องไม่ไม่มานสีกันเลยพีแต่ว่ามันทำไมไม่สงบไม่ไม่มาเสียกันไม่มาสูบกันมันไม่เกิดไม่ได้ใช่ไหมล่ะออืเอายังอะไรมีอะไรอีกสงสัยอีกไหมดีแล้วที่ทถามมาจะได้ไปแก้เจ้าของเพมันเผลอนิดหน่อยมันก็ห่างออกมาไม้มันก็ไม่ เกิดเป็นไฟขึ้นได้เอามีอะไรอีกข้างหลังมีไหมถ้าไม่มีก็ให้ทำอะไรต่ออีกแบบนีนในในที่เรากำหนดหมายกำหนดกันเอาไม่มีก็จะพาเลิกเท่านั้นแหละนี้พรุ่งนี้เช้าผมมาเจอกันที่นี่ ที4ครึ่องเด็กเอาเอานะ